เราแล้วน้อไปปฏิบัติเรามีกายมีใจเอามาใช้ให้เกิดความดีการเกิดความดีเพียงแต่คำคิดคำพูดยังไม่สำเร็จเราตรวจตามเราเรียก <c oughs> ว, ว่าออกไปกิดเมตตา ว่าออกไปทางวาจาจดมนว่าพระสาธยายพระสูตรให้แสดงออกทางวาจาเป็นทวารันเดียวก็มีวาจามีกายมีใจสิ่งที่จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวต้องสามยางคือสติอมหัต จึงจะใช่สำเร็จประโยชน์ที่เกิดความดีจึงจะลาความชั่วจึงจะพ้นทุกข์จึงจะนีจากความทุกข์ได้แต่เพียงแต่คำพูดเพียงแต่การคิดยังไม่สำเร็จแม้มีการกระทําถ้าไม่ร่วมกันทั้งสามอย่างก็งไม่สำเร็จ าการกำบะจีกำโมโนก ร, รมนี่ต้องมิเจตนาเว้นหนึ่งเดียวที่จะเป็นบาปก็เจตนาเป็นบุญก็ต้องเกิดจากเจตนาจริงๆไม่เกิดเจตนาที่แน่วแน่คือสติจับกายมาใชา้จับใจมาใชา้จับเสวะจามาพูดเป็น เป็นทวานของสติจึงจะสำเร็จประโยชน์พระสิทธธรได้เกิดฌานขึ้นเบื้องต้นก่อนที่จะตัดสู้เป็นพุทธเจ้าอดย้อนซ้มขึ้นเห็นทิศทางเตรียบเสมือนไม้ไาย เอาอยค่นแช่นนา้ํเอามาสีไยยอมไม่เกิดไม่ไผ่ขึ้นจากน้าแล้วแต่ยังไม่แห้งสีไยก็ไม่เกิดไม่ไผ่เอาขึ้นจากน้าแล้วแห้งแล้วสีใยย่อมเกิดสิธตถาก็ประมาเหมือนตัวเอง กายภาคก็มาแล้วเหมือนไม่ไผ่ขึ้นจอดตามแล้วแต่ใจยังคิดถึงพิมพาลาหนุนคิดถึงประสาทสามรดูแสดงว่ายังไม่แห้งยังชุ่มอยู่ยังมีอารมณ์คนมีลูกคนมีเมียย่อมคิดถึงลูกถึงเมียย่อมยอมใจตนเองให้ชุม่ม เบียดอยู่เสมอเราควรที่จะถอนออกมาสัผ้าออกมาสักหายผ้าออกมาแล้วใจก็ต้องผ้าออมาแล้วเราก็ร่วมกันไม่จะติออกมามันหลงไปใจผ้าออกมาหลงทีหนึ่งรู้ทีหนึ่งเหงมักนก็จะเแง่จะแง่ ต่อไปก็เกิดยานสามปกเพนืวาสานุสติยานคิดถึงเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้อยู่ที่นี้ไม่ชุ่มอีกแล้วจตุปิยานมีที่อยู่แล้วมีตั้งไว้แล้วไม่หนีไปไหนแล้วอาสวะก้ายานยอมทำอาสวะให้สิ้นไป เราก็มีกายมีใจกันทุกขี่พิษถ้าเราไม่หัดก็ไม่มีประโยชน์เกิดเจ็บเจบตายไปสเสฉยๆถ้าเราหัดก็ได้ประโยชน์เป็นมากเป็นผลกลายนี้ถ้าหัดเป็นเป็นธรรมมันเป็นบิดในสิ่งที่เกิดกับกายกับวาจากับใจมันเป็นธรรมเป็นบิดในไม่เหมือนก้อนอิฐก้อนหิน เมื่อกายว่าจจใจมีท ร, รมาวินัยเกิดขึ้นแล้วก็เป็นรักเหวนผลขึ้นมาเป็นประโยชน์ทำประโยชน์ได้สำเร็จกายก็ไปทาความดีว่าจาก็าไปพูดความดีพูดในสิ่งที่ถูกต้องที่ผิดที่ถูกได้ใจก็คิดถึงเรื่องความดีความดีเกิดจากความคิด มีกายเป็นทวารชายมีวาจาเป็นทวารไม่เสียงปากเสียงยพูดออกไปเป่นพระธมวเทสนาดังอยู่เท่าทุกวันนี้ในหูของเราอยู่ที่เราทั้งหมดที่เป็นพระธรรมคำสอนอยู่ที่เราทั้งหมดนี่คือ เราพร้อมแล้ววันเวลาก็พร้อมแล้วโอกาสก็มีแล้วสถานที่ก็มีแล้วเพื่อนมิตรก็มีแล้วอาหารการกินก็มีพอมีบ้างแล้วที่อยู่อาศัยก็พอมีแล้วเ้ืองนุ่งห่มก็พอจะมี ได้บ้างก็เหลือแต่การกระทําท่านั้นที่เราจะต้องประกอบขึ้นมาโดยวิชกากรรมฐานจู่เห็นเข้ารู้จึกนี่เยียดเฉนออกรู้จึกนี่จะได้เห็นสิ่งที่ผิดที่ถูกจะได้แก้สิ่งที่ผิดให้เป็นความถูก ไม่มีอะไรที่ปิดบังอัมพางปฏิบัติได้ให้ผลได้มันหลงไม่หลงก็ได้มันทุกข์ไม่ทุกข์ก็ได้มันโกรธไม่โกรธก็ได้มันเกิดไหลเคลืนมีสติเป็นตัวเฉลยง่ายง่ายอย่างนี้ง่ายง่ายอย่างนี้ไม่หนักเหงื่อไม่ไหลไม่ต้องใช้อะไรมากมาย การทำกายทำวาจาทางใจนั่งอยู่นิ่งๆก็ได้ไม่เหมือนทำอาชีพอื่ น, นต้องออกแรงต้องมีเครื่องมือจับจอบจับเสียมจับปากกาดินสอจับคอมพิวเตอร์คิดมีวัตถุอุปรกรณ์ต่างๆก็ยังทำสำเร็จนี่เรามาประคตภาวะที่เป็นพุท ธ, ธะตื่นรู้ขึ้นมาเนี่ย เราเจ้าได้ตัดชะลูดเรื่องนี้อยู่ในอริวัตั่งบางตัดชะลูดบางปฐมประเทศศาสนาบางชลมานอยู่ในอริวัตินั่งจึงปฏิบัติดได้ให้ผลได้แล้วก็ขยันเรื่องนี้ขยันบอกเรื่งนี้ มันทำได้จริงจริงร่วมแล้วจริงจริงเหมือนกันจริงๆริงสิ่งที่เราหลงคนอื่นเขาไม่หลงก็มีจริงจริงสิ่งที่เราทุกข์คนอื่นเขาไปทุกข์ก็ไม่อยู่จริงทาได้จริงจริงไปรอวันเวลาเมื่อไร ชีวิตนี้มันไม่เที่ยงไหลเรื่อยไหลไปสูค่ความเจ็บความเจ็บความตายวันเวลามัานเกินเินเราหมดไปตอนนี้เรานั่งอยู่นี่ได้ยินได้ฟังอยู่นี่สามารถทำไร ใ, ในใจเดี๋ยวนี้วางวางดู รู้ดูอะไรเกิดขึ้นมารู้วางสุข ก, ก็วางทุกข์ก็วางผิดก็วางสมองก็วางพุ่งชาญก็วางนี่สติเป็นอย่างนี้สติเหมือนกับวางแต่ว่ารู้ดี่คือละวางจึงหลุดพ้นพ้นแล้ววางแล้วหนีแล้วออกไปแล้วพ้นทุกอย่าง เครื่องมือแห่งการตัดสรูลมีคนทุกคนพร้อมใจพร้อม ท, งทังกายพร้อมทั้งวาจาสติมันรวมกันเป็นอันเดียวกายทั้งวาจาทั้งใจทั้งมีสติไม่ใช่เฉพาะเราเท่านั้นคนอื่นก็เช่นกัน ถ้าทุกคนมีสติเป็นคนเดียวกันมีจริงกระดานนี้เราจะไปจับอะไรที่ไหนอยู่ของจริงเป็นอย่างนี้ของไม่จริงก็อยู่ที่เห็นอยู่นี่นี่กันทุกคนเห็นคอยสบพกคยเหมือนอย่างนี้ไหมหรือเห็นกายเป็นตัวเป็นตนออกมาเป็นสุขเป็นทุก เรารนเหนาวเราเหนียวเรปวดเราเวยเราเจีเราหนุ่มเราเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายสมมุติอย่างนั้นทั้งนั้นแั่นั้นเป็นสมมุติบัญญัติไม่ใช่ปรมัจักรถึงรู้สึกตัวนี่เป็นปรมัาสัจะเหนือรัติเหนือเพศเหนือวัยเหนือผิดเหนือถูกเหนือสุขเหนือทุกข์หรือรู้สึกตัวนี่รู้สึกตัวนี่ ต้อไม่ยากต้อหนักนี่อยู่ในที่เดียวกันเกิดที่เดียวกันเป็นความหลงกับความรู้อยู่ในที่เดียวกันคราวเดียวกันมาพร้อมกันอะไรในโลกนี้ตรงกันข้ามเสมอ มมืดก็มีสว่างกลางคืนก็มีกลงางวันแต่เป็นโลกแก้ไม่ได้โอกาสโลกแต่ตัวเราตัวเรานี่ยเหยนได้ และนนั่นเป็นความรู้รู้แล้วเพื่อนเขาว่าโลกจะแตกแลรู้แล้วแต่ก็เป็นเรื่องของโลกเรื่องของเราที่ไม่เป็นอะไรกัแบบโลกเราจึงเกิดค่าวเดียวกันอย่างนี้มันก็ไม่น่าจะยากของตรงนั้นข้างเห็นได้ง่ายไม่น่าจะจน ทุก็เห็นมีไม่ทุกโกรธก็มีไม่โกรธหลงก็มีไม่หลงผิดก็มีไม่ผิดเกิดก็มีไม่เกิดแกก็มีไม่แกเจ็บก็มีไม่เจ็บตายก็มีไม่ตายใายเริ่มต้นถูกไปถึงจุดหมายปลายทางตั้งใจส่ง ก, กาอยสปอคอย ถ้ไปอย่างเนี้ยรากามาเป็นตัวเป็นต้นเราทุกข์เราฉุกขลเราผิดเรทุกเราได้เราไม่ได้มันไปไม่ได้แ้เห็นสิว่าจ่ายฉุกหรือเวทนาฉุกเป็นทุกข์ก็ยอมมาเป็นตัวเป็นต้นท้ทนไไน อ, ท, าา อ, อาาทุกข์คือโลทุก ข, ข์ท้อฉุกคือโลฉุกอยากได้ความฉุกความทุกข์เป็งตามไม่ได้สักที พอมีความฉุกโง่ทุกข์ก็ตอบไปที้ก็สุกโงทุกข์ขก็ฉุกโงทุกข์เรื่ไม่จบไม่ชินต้องไปอยู่กับมันสักแต่ว่าสักแต่ว่าว่าสักแต่ว่าก็ไปแล้วไปแล้วเอาไว้หลังแล้วด่านนี้ผ่านไปแล้วด่านนี้ผ่านไปแล้วมั น, นแต่ของดักก็โบกขึ้น คิดอ๋อคิดอะไรมีกันทุกคนถ้นเมีจดตีอ้าวคิดึ้นมาอ้ากวกแตาว่าคิดไม่ใช่ตัวเชื่อถดอย่าไปมาเป็นสุขเป็นทุกข์จาความคิดอย่าเอาตัดิ้ใจทําตามความคิดให้ความคิดเป็นใหญ่ควบคิดบุงการ ขี้กเกียจก็หยุดขยันก็ทำความเพียรไม่ได้อาศัยอย่างนั้นมีศรัทธาไม่ใช่ความขยันเมื่อมีศรัทธาในความเชื่อก็มีความเพียรมีการกระทําเกิดขึ้นอันนี้ไม่ทอดถอยไม่ทอดเท่ถ้าเกิดจากความคิดเรียกว่าศรัทธาจะหลุด ตาหัวเต่าพุ้มลอยคุ่มดีไม่จริงสูกความคิดหลอกได้ทุกลูกทุกแบบเป็นตัวเป็นตนทาตามความคิดเสียผู้เฉียคนก็งนี้ึงเห็นจิตจักว่าคิดแต่เนะ่เอาทิ้งไปเล ย, เยสติไปอย่างนั้นเหนือเมฆมาเหนือเมฆ นื้อคอยเนือสุกเหนือสุกเหนื อ, น อ, นอความคิดปติไปอย่างนี้แมมความคิดเป็นใหญ่ความคิดประเสริฐสุดสําเร็จแล้วที่ใจแต่ต้องหัดบังถ้าไม่หัดมันก็ไม่ประเสริฐมันจะพาให้เป็นเปรตเป็นนัศรุกายเป็นสัตโลกเป็นนิรัฉานเพาะความคิดนีแ่แหละโตการมันมโน ป, ปุพังกามาถมมามโนเจริามโนมัยาเน เหตุปฏิปปะพัดสอนฝงใสอ ย, อยู่เสมอแต่ความคิตขอให้ไปเปื่อไปเพื่อนมันเกิดจากสวรรค์ของความคิตก็เปิดอเพื่อนเป็นบาปทางกิตเป็นบาปทางวาจาเป็นบาปทางกายวางสิตจักว่าจิต่นี่มันจะไปเหนือเหนืออย่างนี้ทมสักว่าทำทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่น จะเป็นธรรมที่เป็นขุมน้อยคุมดีบางทีก็เป็นกนุศลธรรมอกุศลธรรมบางบางทีมันมีความลูก้ก็วางมีความสงบกว็วางบางทีมันพุ่งจ่านกว็วางให้เห็นเห็นมันสงกเห็นหมันพุ่งซ่านเห็นหมันลู้ บางทีมันเป็นกินตยานรู้โน้นรู้นี่ก็ อ, อยากไปหลงทัวเรารู้ตัวเรารู้อย่าไปดีอกด้วยใจมีความสุขไว้ติดความสุขเพราะใต้ความรู้มันจะไปไม่ถึงจะไปติดอยู่นั่นเป็นกินตยานไปวิปัสสนูเป็นวิปัสสต ไปไม่ถึงไม่ถึงฝนวางละสุขละทุกข์เสียได้เหมือนวุฒิเหมือนหร่อหล่อที่อาวุธสมหมาสมาธิคืออะไรละอย่างนี้จึงเป็นจันละกามพอลกกามเสียได้ มีวิตุกวิจารณติสุขผลสุขจากการละกาผันสุขที่ไม่มีอภิษ์มันยิ่งปา น, นี่ก็ไปละมันเอาแล้ววิตุกวิจารณ์เสด็จเหลือแต่ปิติอยู่เวขาวางวาง มีจิตบริสุทธิ์พุดพร่องหล่อสุขหล่อทุกมีชติแล้วแล้วอยู่นันจุดหมายเปิดทางวางสุขวางทุกไม่มีอะไรจที่เป็นสุขเป็นทุกเหนือสุขเหนือทุกจึงเหนือการเกิดแจ็เจ็บตาย ขณะที่เราเห็นอย่างนี้ไม่นับเตือนนับปีเราเดียวกันในคราวเดียวกันวินาทีเดียวกันก็ได้ย่นย่อลงมาลู่ถึยงย่อที่สุดอย่าไปหาหลายละเอียดเวลาเราปฏิบัติเกิดอะไรขึ้นเห็นอะไรขึ้นอย่าไปหาละเอียดสงสัจคิดหนาะคำตอ่อพิดหนาะคำถาอ มันเป็นอะไรตือนโน่นตนนนอือน น, องงนีมนมน่มันจะเนินช้าเหมือนวราณมันว่าเที่ยวทอดโยนเหินไหลยมาจีคําเมื่อตะพัวมากกว่ามจิตสาคําท่างตังเน่าไกเหินทางไกพักกวบักหวา พัวเอาสุขพัวเอาทุก์มันช้าไวๆเฉยหน่อยให้รู้กรรมาฐานช่วยได้ที่ตั้งกรรมาฐานช่วยได้กำหนดรู้ใ่การรู้มาทางไหนก็รู้วางรู้มันเป็นรอบรอบเป็นหน้ารอบถ้าเป็นหน้ารอบอย่างนี้ความเป็นตพืหันั็ใกล้เข้ามาอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้รู้รอบรอบ มาทางคิดก็รู้มาทางกายก็รู้มาทางตาก็รู้มาทางหูก็รู้มาทางจมูกก็รู้มาทางลิ้นก็รู้มาทางใจก็รู้นี่ตัวรูม้มรอบอย่างนี้ไม่ได้ไปทำอะไรอื่นมาได้มองซ้ายมองขวาลอรู้จากตัวหนิ่งเข้าไปละเอียดเข้าไปนุม่มนวลเข้าไปปอ น, ปป น, น, นี่เข้าไปเฉินขันทีเข้าไป สมาธิขันทีเข้าไปวันยาที่ขันทีเข้าไปัญญนเหมือนทีมันก็ใช้ได้เหมืนอนผ้าทีทีห่อหน้าได้ไม่รั่วไม่ชื่มชีวิตเรามันฝึกได้ <c oughs> ชาเกินไปก็ไม่ดีประบาทเกินไปไม่ได้วิธีจะให้กําชอบตรงนี้จับกรรมฐ า, านเข้าไปกรรมฐาน็ว่าเชจนั่งหลังขดหลังงองไม่พูดไม่จอไม่สมปัดสมพันกรกบลาอะไรก็เช่อดา ก็ตเห็นก็รู้ได้หัดลงไปหูได้ยนก็รู้ได้หัดลงไปหัดใช้งานจะบูได้กินรู้ได้หัดลงไปมีสติลงไป <c oughs> <c oughs> เป็นสกืกลเหยยบไปเลยลุยไปเลยเกือบรูจากตัวนี่มันได้ความสูงจากความต่ำาในความดีจากความไม่ดี ได้ความผิดได้ความไม่ผิดจากความผิดได้ความบริสุทธิ์จากความโสกปรกความบริสุทธิ์ได้จากความโสโคร ก, กมันจึงมีความบริสุทธิ์สัมผัสได้เรื่องนี้หลงอะไรจะได้เป็นลูก <c oughs> อย่าเขียนวันหลงอยอกเขียนวันทุกจะได้เหยียบของลงไป อะไรที่เป็นทุกข์จะได้เหยียบมันขึ้นมาให้มันสูงขึ้นมากลัวทุกข์อันไม่มีถ้าเราศึกษาจริยงๆแล้วเก็บเป็นทุกข์หรือไม่เห็นเป็น ốc, ทุกข์ตัวหน่อยง่ายๆตั้งแต่ทีแรกแล้วก็บอกทีแรกแล้วหมือนหลงเห็นเหมือนหลงไม่เป็นหูหลงพ้นเจาะกลมหลง มันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นจากความทุกข์นั่นหัดว่าแล้วมันก็ชำนาดเป็นศาสตร์เป็นศีลมันไม่เห็นเป็นทุกข์มันตายก็ไม่เห็นเป็นทุกข์อะไรมันตายเห็นมันตายไม่เป็นผู้ตายพ้นจากความตายเพราว่าอันนี้เป็นธรรมมันเป็นมรรคเป็นผลจากที่เราหัดมา ตอนไปฝึกมันบอกไปได้เอาไปหัดเอาไปฝึกแล้วบอกอบอ ก, อมม ก, มมก็บอกอย่างนี้ความหลงไม่จริงความไม่หลงจริงความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์จริงบอกอย่างนี้อย่างแต่นี้ต้องส่องผัา ด, ดูในข่าวเดียวกันเวลามันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์ทำดู <c oughs> เวลามันสุกเห็นมันสุกไม่เป็นผู้จุกทําดูเวลามันผิดเห็นมันผิดไม่เป็นผู้ผิดทําดูเวลามันสงบเห็นมันสงบไม่เป็นผู้สงบพ้นจากความสงบทําดูมันพุ่งช้านเห็นมันพุ่งช้านไม่เป็นผู้พุ่งช้านพ้ น, น, นจากความพุ่งช้านหลุดพ้นหลุดพ้นหลงนี้พ้นอย่างนี้พ้นอย่างนี้นี่คือเพื่อพืชผักไม่จริยมุดเป็นจุดหมอยปลายาทาง แก้วงหลุดพ้นไม่ใช่ลาบสักกะเสียงเสรอนเย็นโยปัจจุบันนี้ไม่ใช่ลาบสักกะยาสักละลาเฉ่งเสืงเงนอนเย็นโยเป็นมิมุตเป็นจุดหมายปลายทางไม่ใช่หมูมิดพวกพ้องบริวารไม่ใช่เจ้าลัทธิตั้งสำนักปฏิบัติมีบริวารมากๆ ม, มีลาบสักละไม่ใช่ มีมุตตังหามีมุตต์ความหลุดพ้นตังหาอยามาอยู่ที่นี่เพื่อให้เกิดความสะดวกถ้ามันมีก็เกิดความสะดวกในข้าวสารมีอาหารกินเพื่อให้เกิดความมีมุตต์เป็นพลองอาหารสัพยะเจนาสัปพยะที่อยู่อาศัย อาหารสัพ uh huh. พยาพอได้กำลังและเลือดเนื้ออามาทำความดีมาภาวนาเจนหนาสัพพยาที่อิสัยพอได้พ่ำเพรีภาวนาทั้งเด็กการฝนหยัดจุลลมแดดและเฉดไล่คันทั้งหลายบุคคลและสัพพยาในเพื่อนมีมิตรประเทศที่สมควรมีผู้บอกมีผู้สอน ที่ผิดพี่ถูกบุคคลและสอพพยาล้วก็เป็นคนเหมือนกันคนมันมีกายมีใจเหมือนกันปัญหาเกิดที่กาที่ใจเหมือนกันตอนเจ้ปัญหาก็แก้อยู่ที่กาที่ใจเหมือนกันแก่ได้เแก้มาได้ มันก็อยู่ที่ตัวเองลางคนพวมหลงเปลี่ยนหลงเป็นรูปเปลี่ยนไม่เป็นขอาไม่หลงสิ่งที่เราหลงก็เจ้ตรงนี้เหมือนกันหมดเช็นวัดิรธรรอยู่ไปต้นฉีมหาโพนั่งอยู่กางหมอก่าขนพิดถึงประาษาจานุดูกลับมานี่วิธีแก้ของวัดศิรธรจนเป็นพระเจ้า ป่าบาคู่ฉันเขา้าอยะาฉันหอกคิดถึงเิ็นบาคัมมาเน่คู่ฉันเข้ากัมมาลูกเน่คิดถึงเราหนุนกับมาลูกเน่แก้ปัญหาไปเจ้าแต่เราคิดถึงเห็นคนคิดเรื่องนี้เรามาปฏิบัตินะท้อ หลวงพ่อหลวงพ่อหนูมีลูกสองคนหนูจะเลี้ยงลูกไหวไหมเนี่ยคิดไปจะแล้วมีลูกสองคนจะเลี้ยงลูกไหวไหมสามีหนูตายับรถลุวัติเหตุตายหนูจะเลี้ยงลูกไหวไหมเป็นทุกข์มากหมาคิดเรื่องทุกข์หมาคิดเร้่งลูกเรื่องสามีตายไม่ได้มาสร้างความรู้ความรู้ต่างหากที่เป็นตัวเฉยมันคิดไปกับหมา เราคิดถึงสอนี่ก็ไม่ได้ประโยชน์เลยเดีย๋ยวเรามาทําความดีมาคิดถึงลกูกเราก็ต้องทำความดีลูกจุกตัวอยู่นี้เราจะเป็นแม่ที่ดีลูกฉุกตัวนี้จะไม่ได้เก็บแค่ได้ผัวจะได้แข็งแรงถ้ามัวแต่คิดก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเราจะต้องเข้มแข็ ง, ขงเรามีความสามารถนี่เรามาหาตัวนี้เหยาเรื่องนั้นมาเป็นเกณฑ์ เอาลูกมาอ้างเอาอานุน้นมาอ้างเวลาเราปฏิบัติยาอา่อนอะมาอ้างถึงควมลูกจากตัวเขาถึงควบลู้จักตัวนี่ให้ทำอย่างนี้ทำเมาื่อรู้จักตัวยิ่งดีใหญ่ได้ผ่านอะไรเยอะแยะได้ผ่านเราเยอะแยะเลยยิ่งพระชิตเถอาจจะผ่านผูเขายิ่งใหญ่ที่สุดเจ้าจากกักรพอด ปจะชาชนเราดูขอสนมกำนันนายดูสิยิ่งใหญ่ในโลกมีไม่ไมไมบ้าง ก, กว่าเจ้าจกักรพรรดิยึดถือตรงทิ้งมาเพราะนั้นอย่าเอาอะไรมาอ้างเวลานี้ให้มาอยู่ที่นี่ไหนเราก็มาแล้วทิ้งบ้านทิ้งเดือนมาแล้ว ลางานลาการมาแล้วหมอสัมผัสรู้จักตัวให้รู้จักตัวอย่างเดียวเราจะอําหน่วยให้เกิดเรื่องนี้รูปปรุงอาหารให้กินก็มีพาทาวัดสวดมนต์พาบอกพาสอนเต้นเป็นมิตรไม่เปลีวปวปวยวเดียวดายเจ็บค่อเด็กป่วยก็มีหมอเป็นที่พึ่งได้วาไปหาหมอมีรถมีลาพาไปได้ เราทำดีอย่างนี้เวลานี้คนก็ช่วยเหลือช่วยแย่เลยเพื่อเราทำความดีไม่ใช่ว่ามาขี้เกียจชี้ค้านจะเป็นบาปเป็นเปดิดไม่รู้สึกตัวนะสนุกไปเลย